อันดับที่สเรียกว่าพระอนาคามีพระอริยบุคคลชั้นนี้นอกจากจะละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่สี่ที่หได้ด้วยสังโยชน์ข้อที่สเรียกว่ากามราคะข้อที่หเรียกว่าปฏิฆะกามราคะนั้นหมายถึงของรักของใครที่พระโสดาบันและพระสกทาคามี ละไม่หมดยังมีความพอใจในของรักของใครเหลืออยู่ทั้งทั้งที่ท่านละสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถละความติดในการราคะได้ทั้งหมดยังเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่สามคือพระอนาคามีนี้ท่านยอมละออกได้หมดไม่มีเหลือส่วนกิเลส ท, ที่เรียกว่าปฏิคะ หรือความรู้สึกโกรธหรือความขัดเคืองใจพระสกทาคามีล้างออกไปได้เป็นส่วนมากเหลืออยู่เพียงความหงุดหงิดความขัดข้องอยู่ภายในส่วนพระอนาคามีนั้นเอาออกได้หมดจึงเรียกว่าผู้ละกามราคะและปฏิฆะได้ที่เรียกว่ากามราคะหรือการติดความพอใจในกามนั้น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 จะอยู่ในฐานะที่น่าบูชาสักเพียงไรหรือเป็นบุคคลพิเศษสักเพียงไรกิเลสทั้งห้าข้อที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านจัดไว้ว่าเป็นขั้นต่ำนับตั้งแต่สักยะทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพตะปรามาสกามราคะจนถึงปฏิฆะพระอริยบุคคลประเภทที่สามละได้หมดเพราะไม่มีกามราคะเหลืออยู่เลย พระอริยเจ้าประเภทนี้จึงไม่เวียนมาสู่การมาพบอีกต่อไปเป็นเหตุให้ได้นามว่าอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มีการกลับมาอีกมีแต่จรุดหน้าสูงขึ้นไปเป็นพระอรหันต์และนิพพานหรือในภาวะอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกามคือพบของรูปประพรมอันดับปลายๆส่วนกิเลสที่ยังเหลืออีกห้าอย่างข้างปลายนั้น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 ท่านจึงจัดไว้ในลำดับหลังจากรูปฌานและเรียกว่าอารูปความพออกพอใจติดใจในความสุขสงบชนิดนี้เรียกว่าอารูปราคะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์จะหลงไหลในสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยไม่ว่าสุขเวทนานั้นจะเกิดมาจากอะไรเพราะตามธรรมดาของพระอรหรันต์ จะมองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความรู้สึกทุกชนิดจึงไม่อาจจะมีความติดใจในความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงละอรูปราคะและอรูปราคะได้โยคีฤศีอื่นๆที่บำเพ็ญรูปฌานหรืออรูปฌานตามป่านั้นมองไม่เห็นความลี้ลับของสุขเวทนาจึงติดแน่นอยู่ในรสของฌานหรือสมาบัติอย่างหลงไหล เช่นเดียวกับคนหนุ่มคนสาวตามธรรมดาธรรมดาที่มีจิตติดแน่นลหลงไหลอยู่ในรถของกามคุณท่านจึงใช้คำว่าราคะอย่างเดียวกันหมดถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็จะพอใจหรือจะเริ่มใสบูชาในบุคคลที่เรียกว่าพระอริยเจ้านั้นอย่างยิ่ง เครื่องผูกคนให้ติดอยู่ในโลกข้อที่แปดเรียกว่ามานะได้แก่ความรู้สึกสําคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นชั้นเป็นเชิงว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีหรือสูงกว่าเขาถ้ารู้สึกว่าตนเลวกว่าก็น้อยใจถ้ารู้สึกว่าตนดีกว่าก็ทะนงใจรู้สึกว่าเสมอเสมอกันก็นึกไปในทางที่จะแข่งขัน หรือทำตนให้ก้าวหน้ากว่าเขาทานองนี้เป็นต้นข้อนี้ไม่ได้หมายถึงมานะทิฐิด้วยความเยื่อหยิ่งจองหองตามธรรมดาย่อมเป็นการยากมากที่จะไม่ให้ใครๆตามปกติรู้สึกว่าตัวดีกว่าเขาเลวกว่าเขาในทำนองนี้กิเลสชนิดนี้มาอยู่ในอันดับที่แปดเกือบสุดท้ายเช่นนี้ย่อมหมายความว่ามันละยาก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 แต่ถ้าจิตใจอยู่เหนือความดีความชั่วเสียแล้วความรู้สึกต่างๆเช่นนี้จะมีอยู่ไม่ได้แต่เพราะจิตใจของเรายังแพ้ต่อค่าของความดีความชั่วฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าใครดีใครชั่วหรือใครเสมอกันเป็นเหตุให้ใจหวันไหวไปบ้างเพราะเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นอยู่จึงยังไม่เป็นความสงบสุขจริงๆ สังโยชน์ข้อที่9้เรียกว่าอุทธจัจแปลว่าความกระเพื่อมความฟุง้งหรือความไม่สงบนิ่งเช่นความรู้สึกที่กระพือขึ้นในเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าสนใจผ่านมาคนเรามีความต้องการอะไรอะไรประจำอยู่ในใจโดยเฉพาะก็คือความอยากได้อยากเป็นอยากเอาอยากไม่เป็น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 ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นจึงไม่มีความทึ่งในสิ่งใดๆฝ้าผ่าลงมาข้างๆท่านก็ไม่มีความทึ่งเพราะไม่มีความรู้สึกกลัวตายหรืออยากอยู่หรืออะไรทํานองนั้นแม้จะมีอะไรรที่ร้ายแรงชนิดไหนหรือว่าเกิดมีความรู้ความคิดสิ่งใหม่ๆในโลกท่านก็ไม่มีความทึ่งความสนใจเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับท่าน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 จัดเป็นผู้มีวิชาในที่นี้บรรดาความรู้ทั้งหลายมีมากมายเลือที่จะกล่าวได้แต่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ในจำพวกที่ไม่จำเป็นต้องรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเองก็มีขอบเขตอยู่แต่ในวงเรื่องที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้แล้วพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดคําว่าสัพพันยูหรือรู้ทั้งหมด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 อย่างที่บางคนได้ยึดเป็นหลักไว้ว่ากามารมณ์เป็นของจำเป็นมากหรือเป็นอาหารสำหรับชนิดหนึ่งของชีวิตแทนที่จะมีปัจจัยเพียงสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็เพิ่มเอากามารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นปัจจัยห้าอย่างอย่างนี้ก็มีบางลทัทธินิกายได้เอากามารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์ จึงเกิดเป็นลัทธินิกายที่มีการกระทำอ น, นาบัตรศีลามกอนาจารขึ้นที่วิหารของเขานั่นเองสำหรับอวิชชาความไม่รู้ในหนทางที่จะให้ได้มาซึ่งความดับทุกนั้นคนที่ไม่รู้ก็ย่อมทำไปตามความเขลาหรืออำนาจกิเลสตัณหาตามความต้องการของตนเองเช่นหลงเชื่อในสิ่งภายนอก คอยแต่พึ่งผีพึ่งเทวดาไปตามประสาของคนที่ไม่มีศาสนาแม้จะเป็นพุทธบริษัทโดยกำเนิดอยู่แล้วก็ยังหลงไปได้ถึงขนาดนั้นเพราะอำนาจของอวิชชานั่นเองทำให้ไม่เข้าใจหรือยินดีในการดับทุกข์โดยปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดแต่ไปดับทุกของตนด้วยการจุดทูปเทียนนั่งบนบานสิ่งที่ตนเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธ ตามปกติคนต้องการมีความรู้แต่ถ้าความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ผิดเมื่อยิ่งรู้มากก็ยิ่งผิดมากเลยกลายเป็นความรู้ชนิดที่บังลูกตาคำว่าแสงสว่างสว่างนี้ก็จะต้องระวังอาจจะเป็นแสงสว่างของอวิชชาก็ได้หรือแสงที่ทำให้ตามืดบอดหลงผิดและทำให้เกิดความประมาทโดยไม่อาจสำนึกว่า ตนกำลังถูกแสงของอวิชชานี้บังลูกตาอยู่จึงไม่สามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้มัวต่หลงในสิ่งเล็กน้อยไม่เป็นสาระอย่างเธอทูลบูชาหลงไหลในการมรมณ์ต่างๆว่าเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรจะได้รับเสก่อนที่จะตายแล้วจะแก้ตัวว่าทำเพื่ออุดมคติอันอื่นอย่างไรได้การหวังไปเกิดในสวรรค์ โดยหมายออกามารมเป็นที่ตั้งอะไรอะไรก็ไปติดอยู่แค่กามารมทั้งนั้นนี้เพราะอาวิชชาได้หุ้มห่อจิตใจไว้อย่างไม่ให้ใครทะลุรอดออกไปได้ในพระบาลีบางแห่งได้อุปมาอาวิชชาว่าเหมือนกับเปลือกหนาที่หุ้มโลกทั้งหมดไม่ให้ใครได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงท่านจัดอวิชชาไว้เป็นกิเลส ข, ข้อสุดท้าย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 จึงเป็นคู่คู่คือโสดาปติมัคโสดาปติผลสกทาคามีมัคสกทาคามีผลอนาคามิมัคอนาคามิผลอรหัตตมัคอรหัตตผลเป็นสี่คู่เติมนิพพานเข้าไปอีกหนึ่งจึงเรียกเก้าเรียกว่าโลกุตระธรรม9ก้าบุคคลในโลกุตระภูมิเป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงตามสัสดส่วน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 หรือมีอิทธิพลเหนือจิตของท่านได้อีกต่อไปเพราะท่านละกิเลสทุกชนิดได้หมดจนสิ้นเชิงสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นถ้าเป็นเรื่องโล ก, กุตระธรรมก็หมายถึงสภาพอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดใดหมดคือไม่เหมือนกับสิ่งทุกสิ่งในโลกผิดจากทุกสิ่งในโลกเมื่อทั้งโลกหรือสิ่งทั้งหลายมีภาวะเป็นอย่างไร